ขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้ตาเป็นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา การนั่งขัดสมาธินั้นให้จาไว้ให้ดีแล้วก็ฝึกหัดให้มันได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นต้องโยีิการฝึกการหัดการดัดแปลงเมื่อเราฝึกหัดดัดแปลงได้แล้วก็เป็นที่สบายของเรานั่นเองเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวานา ไม่ว่าในกลางหมู่คณะก็ตามอยู่ที่อยู่อาศัยของตนก็ตามให้พยายามฝึกหัดนั่งคือเป็นของง่ายถ้าเรานั่งมันเคยชินเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเมื่อตั้งใจทำจริงๆเรียกว่าสบายมากไม่ยุ่งยากประการใดพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นโลกท่าวยามาหากษัตรถ้าใจยึดถือแล้ว พระพุทธเจ้าท่านยึดถือก่อนคัตติยะมานะคัตติยะทิฏฐิพระองค์เลิกละออกไปพระองค์ก่อนนั่งคัดสมาธิเพชดได้โดยไม่ต้องลำบากคือใจมันยอมเท่านั้นเราทุกคนไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องใจมันยอมหรือว่าใจเกิดศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาจึงทําได้ปฏิบัติได้ถ้าไม่เกิดศรัทธาจิตมันก็ขัดข้านในตัวอยู่ต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาศรัทธาท่านแปลว่าความเชื่อศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใส ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้ า, า พ, รออพระองค์นั่งขัดสมารถเพชรใต้ล้มไมโพผิพินหลังให้ต้นไมโพิกินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมารถเพชรเมื่อนั่งขัดสมารถเพชรแล้ว ท่ามีก็ตั้งจิตตั้งใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวานาครั้งนี้จะไาให้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิพร้อมกับการปฏิบัติภาวานาไม่สำเร็จดังความมุ่งมากปรารถนา คือพระองค์ต้องการความตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นการสำเร็จพระองค์ก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายตายที่ล้มไม่ต้นเอ้แหละไม่โยกย้ายไปที่ไหนถ้าเราฟังคำข้อนี้ให้ดี ก็แสดงว่าพระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรลนั้นคือว่าสละชีวิตลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระโดกก็ตามทีเราจะไม่ลกจากที่นี่เป็นอันขาดแสดงว่าพระองค์สละชีวิต ถ้าไม่สำเร็จไม่ได้ตรัสลูเป็นพระพุทธเจา้าพระองค์ไม่ต้องไปบินถบาตมาลิ้นชีดอีกแล้วจะให้เป็นขั้งสุดท้ายนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านทำจริง นับตั้งแต่พระองค์ได้ตั้งปณิธานความหมายมั่นเพื่อพระโพธิญาณคิดใจของท่านก็ไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเกิดมาพบใดชาติใดพระองค์ก็มีความมั่นอกมั่นใจในการทำบุญให้ทานในการรักษาสินห้าสินแปด ในการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาพระองค์ตั้งใจประกอบการทมทุกภพทุกชาติจนกระทั่งว่าชีวิตแตกดับไปในชาติหนึ่งหนึ่งก็แล้วไปถ้าเกิดมาชาติใหม่แม้ว่าเป็นคนเป็นเทวดาอินพรมเป็นอะไรก็ตามท่านไม่ลืมในทานศีลภาวนาของท่าน ท่านทำจริงท่านนึกท่านเจริญจริงได้ว่าจิตใจเช่นนี้หาได้ยากเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นที่ศักการะบูชาของมนุษย์ในสมัยนั้นจนต่อมาจึงถึงสมัยนี้ก็ยังมีผู้สักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ ก็เพราะว่าพระองค์ท่านทำจริงปฏิบัติจริงเอาจริงสิ่งใดที่พระองค์จะทำจะปฏิบัติแล้วสิ่งนั้นย่อมสำเร็จสำเร็จได้ด้วยการกระทำถ้าไม่กระทำไม่มีความาพาเพียนพยายาม ไม่ว่ากิจกรรมการงานใดๆในโลกนี้โลกน้าไม่สำเร็จถ้าไม่ทำการลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วแม้จะไม่ได้มากก็ได้น้อยการภาวนาในจิตในใจนี่ก็เหมือนกันเราต้องตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน เพื่อให้ถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักคำว่าปัจจุบันหมายถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้กลางวันที่ผ่านไปมาแล้วนี้คือว่าเป็นอดีตเป็นอดีตตการล่วงไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดอีกส่วนพรุ่งนี้ป ร, รืนนี้เป็นอนาคตตการ ก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนท่านให้ถือเวลานี้บันนดนี้ขณะนี้คือตัวปัจจุบันนาธรรมเมื่อผู้ใดรู้ธรรมอันเป็นปัจจุบันนธรรมแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเรียก ว, ว่าตัทธะตัทธะในที่นี้นี้ คำว่าที่นี่ที่นี่นี่คือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้นั่นแหละลรายกเอาจิตใจดวงนี้มานึกมาเจริญขึ้นมาในคุณพระพุทธเจา้าแล้วที่ท่านยอกมาจากพุทธคน มาเป็นพุทธโธคำเดียวเพื่อสะดวกสบายในการนึกการเจริญเมื่อเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธก็ให้ถือว่าพระธรรมก็ต้องอยู่ที่เดียวกันพระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่นแหละเรานึกพุทธโธคำเดียวก็ให้ใจเราแน่วแน่ไม่ให้มันไปทางไหน ยังมีความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็ละทิ้งไม่ตามมันไปเอาสิ่งที่เรานึกเราน้อมอยู่ให้ได้ทุกลมหายใจหรือว่าเหมือนกะลมหายใจเข้าไปออกมาอย่างนั้ น, นการนึกการเจริญการภาวนาไม่ให้มีความสงสัยในสิ่งที่เรานึกเราเจริญนั้น คือให้ใจของเราแน่วแน่มั่นคงลงไปพระพุทธเจา้าพระองค์จะได้ตรัสสลู้เป็นพระพุทธเจา้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาตรัสสลู้เอาเองโดยที่ไม่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ได้พระองค์ทำมาหมดทุกอย่างทุกประการ ขึ้นชื่อว่าบุขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีพระองค์ไม่ได้ทอดทุละ <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดในพบใดชาติใดพระองค์กตั้งอยู่ในฐานในศีลในภาวนามีจิตใจแน่วแน่มั่นคงอย่างนั้นเมื่อมาปัจจุบันพระองค์กตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จนกระทั่งว่ากำหนดความลุ่มหลองมัวเมาของพระองค์แก้ไขเลิกละออกไปความมายึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลพระองค์ก็แก้ไขออกไปไม่ให้มีในใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ชื่อว่าปล่อยวางได้เราทุกคน จะปล่อยได้แค่ไหนเพียงใดก็ขึ้นโยกับการนึกการเจริญการพิจารณาของเรานั่นแหละถ้าเราทุกคนทุกดวงใจมานึกมาเจริญให้ลงโซลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้แล้ลเจิตใจทุกคนก็ย่อมส ง, งบงระงับได้ เราไม่ต้องไปสงสัยในฐานในศีลในภาวนาที่อื่นคือถือการเวลาปัจจุบันนี่แหละไม่ให้จิตมันหวาดระแวงต่อสิ่งใดๆคำว่าศีลศ <c oughs> ีลห้าศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ไม่ให้มันแสสายไปที่อื่น ให้ถือว่าเวลานี้เราไม่ได้ไปคาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในกามกล่าวมมสาว่าดื่มกินสุราเมีัยในหลักษินประเภทใดก็ตามให้ถือว่าปัจจุบันที่เรานั่งภาวนาอยู่เราไม่ได้ไปล่วงเกินศีลข้อไหน เรานั่งหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ก็ให้ถือว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ศีรวีสุทธิศีลบริสุทธิ์ก็คือเราไม่ได้ทำอะไรให้ผิดศีลผิดธรรมผิดคำสั่งสอนจิตตาวิสุทธิจิตบริสุทธิ จิตจะบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ที่จิตเราสงบระ ง, งับรวมจิตรวมใจเข้ามาในหลักปัจจุบันนี้ไม่มีความสงสัยประการใดคือเราไม่ตามไปสู่อารมณ์กิเลศธรรมดาอาการในจิตมันหลงไหลไปตามอานาจจีเลศความโกรธมันก็ ส, งส่งแสออกไปหาเรื่องราวความโกรธนั้น จิตที่มันมีโลภะราคะตัณหามันก็มันแส่สายออกไปในขณะที่เราภาวนาอยู่ไม่ให้มันไปให้อยู่ทุกลมหายใจพระองค์ว่าให้นึกโยทุกลมหายใจเข้าและออกคำว่าพุทธโธก็ดีหรืออุบายใดก็ตาม ให้นึกให้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าอย่างลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เสมอส่วนคนอื่นผู้อื่นเขาจะทำไม่ทำเขาจะละไม่ละเราไม่ต้องไปสนเอาเรื่องของตัวเองดีกว่า เพราะว่าผู้อื่นจะไปทำจิตใจของผู้อื่นให้บริสุทธิ์ย่อมไม่ได้แม่องค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์กระส่งตัดว่าเราตถาคตเป็นแต่ผู้ตรัสผู้ชี้แจงแสดงความจริงไว้ให้สาวกทั้งหลายเท่านั้นเอง ส่วนสาวกของเราตถาคตนั้นจะต้องจดจำเอาไปประพฤติปฏิบัติทรมานสั่งสอนกิตใจของตนพร้อมด้วยกายวาจาจิตจนถึงขั้นเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ด้วยตนเองไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ถ้าเราฟังคำข้อนี้ให้ดี เราก็จะเข้าใจได้ทีเดียวว่าความจริงมันต้องเป็นเรื่องของเราเท่านั้นคนอื่นจะมาทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์ย่อมไม่ได้พระองค์เป็นผู้ชี้แจงแสดงสิ่งใดที่เป็นบาปท่านก็แสดงว่าบาปยาได้ทำเพราะว่าบาปนั้นเมื่อให้ผลมันมีแต่เรื่องเดือดร้อน อย่าไปทำอีกต่อไปแม่จะเคยทำมาแล้วก็ตามพูดมาแล้วก็ตามคิดมาแล้วก็ตามอย่าไปทำอีกเป็นอันขาดเพราะว่าบาปนั้นเมื่อมันให้ผลก็ย่อมเดือดร้อนเมื่อภายหลังเดือดร้อนตัวเองนั่นไม่ใช่ว่าไปเดือดร้อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนเราต้องรู้ในใจของเราได้ จึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมั่นภายในใจของเราให้ได้ถ้ามันเกิดสงสัยเรื่องการทำบุญในตานของตนเองก็ตาม <c oughs> ก็ให้ถือการเวลาปัจจุบันนี้แหละเป็นหลักว่าทานมีมากน้อยขนาดไหนเราก็ดูใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเรามี การเสียสละในสิ่งที่เสียสละได้เราก็เสียสละเรียกว่าทานทานออกไปสละออกไปแล้วมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลในใจของเรานั่นเองมันไม่ใช่มาจากที่อื่นเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วศีลที่เรารักษามันก็ กลับเข้ามาสู่จิตใจของเรานั่นเองให้ใจนั่นแหละเป็นสุขสบายเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจรวมจิตลมใจลงไปในปัจจุบันจนจิตใจสงบระงับตั้งมันได้ความสงบสุขในการ ภาวนาทรรมจิตทรรมใจให้สงบนั่นมันก็ไม่ไปที่ไหนก็มาให้ใจิตใจเราผู้ภาวนาผู้รักษาศีลนั่นแหละมีความสุขจิตสุขใจมีความปีติยินดีในธรรมปฏิบัติการที่เรามีชีวิตมาได้เกิดในโลกยุคนี้สมัยนี้ ยังมีพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในพุทธศาสนาของพระองค์อยู่เราก็ให้ทำความปีติยินดีว่าการเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียทีไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาพล้อมด้วยการประพฤติปฏิบัติ ที่เราตั้งใจกระทาอยู่จนกระทั่งถึงขั้นรักษาชินห้าชินแปดชินสิบสองอยี่สิบเจ็ดตลอดจนการฟังเทศพทังธรรมปฏบิบัติบูชาไม่ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าแสดงถึงว่าบุญกุศลของเรามีอยู่พอแล้วยังเหลือแต่เราจะต้องรวม จิตรวมใจให้มันเป็นหนึ่งไม่ให้มันกระจัดกระจายให้มันรวมเป็นก้อนเป็นหน่วยคือรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ต้องให้ใจไปผวาพผวนกับคนโ น, น้นคนนี้ดีใจก็ไม่ให้ดีใจภายนอกเสียใจก็ไม่ให้ไปเสียใจกับเรื่องภายนอก เมื่อเราตั้งจิตเจตนาในใจของเราแน่วแน่มันคงอยู่ในจิตในใจแล้วสิ่งภายนอกมันก็จืดไปเองจางไปเองปล่อยไปเองวางไปเองเพราะจิตใจมันรู้เข้าใจทำอะไรมันก็มีความรู้ในใจของคนเราทุกคนแต่ถ้าเราทำไม่จริงไม่สงบระงับมันก็ไปอีกเหลี่ยมหนึ่ง แต่ถ้าเรารวมใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันคือในเวลานี้เดี๋ยวนี้แล้วก็จะเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในรูปนามกายใจของเราทีเดียวว่าอันธรรมดาร่างกายสังขาร น, นี้จะให้มันอยู่ดีสบายจนกระทั่งว่า ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแก่กลาและไม่มีตายนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมดาสังขารนี้มันเอามาใช้ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองชั่วระยะที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตของคนเราในระยะการเดี่ยวเน่นนั้นก็ไม่นานคืออยู่ในกรอบร้อยปี ร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่างขนาดหนักก็หลวงปู่แหวนก็ได้เก้าสิบเก้าปีทท้งนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วพวกเราทั้งหลายเข้าใจว่ายากที่จะถึงขนาดนั้นได้เพราะร่างกายสังขารก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ แล้วจิตใจก็มีแต่ความท้อแท้อ่อนแอสติก็ขาดไปสมาธิก็ขาดไปปัญญาก็ยังไม่เต็มที่มีแต่ความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมีแต่ทางจะท้อถอยอันนี้แหละเรียก ว, ว่ามันไม่แก่กล้า เราต้องทำเสมอๆให้มันแก่กล้าสามารถขึ้นมาถ้าหากว่าสิ่งใดมันเราสู้ไม่ได้เราก็หาทางอื่นเหลี่ยมอื่นสู้อย่างบางคนนั่งมากก็มักจะมีความห่วงเหงาเหานอนก็อย่าไปนั่งมากให้เดินจงกลมเดินภาวนาหาทางแก้ไขาทางอื่น จนกว่าจะได้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตในใจของตนเมื่อสมาธิภาวานาเกิดขึ้นในจิตในใจของตนแล้วความง่วงเหงาเหานอนมันจะหายไปเองความโกรธมันก็ค่อยเบาบางไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับความโลภในจิตก็จะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไป โมหะอาวิชชาโมหะท่านแปลว่าหลงอวิชชาแปลว่าไม่รู้ผู้ไม่รู้ก็คือใจไม่ภาวนาใจไม่หยุดใจไม่โย่ใจจิตใจไม่รู้ภายในใจของตัวเองแต่ไปรู้ใจคนอื่นได้ว่าคนนั้นมีใจเป็นอย่างนั้นคนนี้มีใจเป็นอย่างนี้อันรู้คนอื่นไม่สําคัญ ให้มาลู้ตัวเราเองกายเราเองจิตเราเองโดยเฉพาะคือรูปปัะขันร่างกายของเรานี่แหละมีขาสองแขนสองศีสะหนึ่งให้เรามาลู้ที่นี่มาลู้ที่นี่มาเห็นที่นี่มาภาวนาที่นี่ดูตัวของเราเองให้ทั่วถึงว่าภายในหนังหุ้มเข้าไปมีอะไรบ้าง เราเห็นตัวเราเห็นแต่ผิวหนังภายนอกหรือเห็นคนอื่นก็เห็นแต่ผิวหนังภายนอกภายในเราไม่เห็นเพราะเราไม่เอามานึกมาเจริญพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจถ้าเรามานึกน้อมดูร่างกายสังขารของเราทุกคนแล้วไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ชรา ก็มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอกเรายังไม่ไน้ธอลบหนังไม่ยังไม่ไดีลอกหนังตัวเราเองก็มักจะเห็นว่าหนังของเราอย่างสวยอย่างงามโยแต่ถ้าหากว่าเราลอกหนังทะลกหนังออกเหมือนชาวบ้านเวลาสัตว์ตายเขาก็เอาหนังออก เมื่อเขาปาดเอาหนังออกแล้วก็จะเห็นเนื้อเมื่อเห็นเนื้อเนื้อนั่นแหละเนื้อกับผิวหนังไม่เหมือนกันคนเราถ้าเห็นแต่ผิวหนังไม่เห็นเนื้อมันก็เท่ากันกับไม่โู้เพราะว่าเนื้อนั้นมันสีน้ำเลือดเลือดชุ่มซาไปหมด ดูเวลาคนเรามีอะไรมาถูกต้องมีพลาจอบเสียมกระทบเข้าหรือว่าของคมต่างๆมาโดนเข้าที่เท้าที่แข้งที่ขาที่ไหนก็ตามเลือดมันจะไหลออกมาแล้วเนื้อมันก็จะแสดงให้ตัวเราเห็นเป็นเนื้อแดงไปไม่เ ส, สวยงาม แตแดงอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เปลี่ยนที่เนื้อมันแดงเลือดมันแดงเนื้อก็ดแดงไปหมดเวลามันหยดลงมาไหลออกมาก็แดงไปทีเดียวนั่นแหละสีเลือดเป็นสีแดงเข้มแสดงให้เราเห็นว่าไม่ใช่เหมือนกับเรามองเห็นผิวหนังของเรา โดยที่ไม่เด้ทะลกหนังออกถ้าทะลกหนังออกแล้วคนเราหรือว่าตัวเราเองก็ช่างเถอะจาตัวเราเองไม่ได้เลยอันนี้จำผิวหนังต่งหาดผิวดำผิวขาวยังไรก็จำภายนอกแต่ถ้าทลกหนังออกแล้วจำไม่ได้แล้ว ยังไม่ถึงกระโดกล่ะแค่เอาหนังออกเท่านี้ก็จำไม่ได้แล้วจำสีไม่ได้ละสีใดล่ะมันเป็นสีแดงไปหมดเน่นั้นต้องกาหนดพิจารณาหาอุบายทรมาสอนตนให้ได้สอนจิตสอนใจให้ได้ทันจึิงให้ภาวนาบริกรรมบทนั้นบทนี้ เพื่อให้ใจสงบตั้งมัน่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นได้ดีแล้วจะเอาบทใดข้อใดทำอะไรมาพิจารณาก็แจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนได้ทั้งนั้นเพราะจิตมันหยุดจิตมันอยู่จิตไม่ไปที่ไหนเมื่อจิตไม่ไปที่ไหนล่ะจิตใจมันก็ยอมรู้ได้เข้าใจว่า ชาติความเกิดขึ้นมาแล้วมันมีการเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วมันก็ชำมุดชุดโซมแก่ชะลาไปตามหน้าที่ของสังขารใจิตใจของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้เราต้องกําหนดรู้ให้แจ้งในใจให้เห็นตามภาวะความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างไร ความเป็นจริงนั้นท่านว่าร่างกายสังขารของเรานั้นไม่ใด่เป็นของสวยสดงดงามอย่างชาวโลกเห็นร่างกายสังขารเ น, นีพระพุทธเจา้าพระองค์ว่าเป็นปฏิโกรเคือว่าไม่สวยไม่งามความจริงในตัวเราก็เหมือนกับป่าช้าผีดิบ ทำไมจึงว่าเป็นป่าชาผีเด็กเพราะว่ามนุษย์คนเหล่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนับตั้งแต่ปู่ย่าตาโทษเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงรูปร่างกายถ้าหากว่าทานแต่ข้าวกินแต่ข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่อาเรดอร่อย มันจะต้องหาเนื้อหาปลาหาาสัตว์ต่างๆมาประกอบให้ให้เป็นอาหารเรื่อที่เราเกินลงไปก็คือว่าเกินลงไปในหลุมป่าชานั่นเองเราไปเห็นป่าชาที่เขาเอาคนไปเผาไปฝังว่านั่นเป็นป่าชาแล้วคคนไปป่าชาก็มักจะกลัวผี ความจริงนั่นในร่างกายเรานี่หละป่าชาใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าป่าชาที่เราเห็นเขาออกไปฝังไปเผาคนนั้นป่าชาตัวเรานี่เป็นป่าชาผีเด็บนับไม่ถวนใครมันกินเข้าไปเท่าไรปลามันกินเข้าไปเท่าใดปูมันกินเข้าไปเท่าไร สัตว์บกสัตว์น้ามันกินเข้าไปเท่าไร่ใหญ่เท่าช้างมันก็เอามากินก็คือในท้องในไส้ในตัวเรานั่นมันเป็นป่าชาช้างก็ว่าได้หมามันก็กินวัวมันก็กินควายมันก็กินหนูมันก็กินกินเป็ดมันก็กินไก่มันก็กินห่านมันก็กินกินหมดทุกอย่างจนนับไม่ท้วน นี่แหละป่าช้าผีเด็บผียังไม่ตายแต่เป็นป่าช้าจนนับไม่ทื่อที่มันกินลงไปสิ่ง น, น, นี้ก็ให้เอามาคิดมาอ่านมาพิจารณาเตือนใจของตัวเองอย่าแต่เพียงว่ามาเย็บตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่ไม่กำหนดพิจารณา กิเลสความโกรดความโลบความหลงมันก็ลุกขึ้นมาทําให้จิตใจเราว่าวุ่นไปหมดนั่นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าเป็นคนจนอะไรๆก็ทําทางนั้นเกิดก็เป็นธรรมแก่ก็เป็นธรรมเจ็บก็เป็นธรรมตายก็เป็นธรรมตายแล้วก็เกิดมาก็เป็นธรรมถ้าเราตั้งจิตเจตนาให้ดีแล้ว นี่ละก้อนพระธรรมโูกนี้ก็เรียกว่าโลกพระอากพระธรรมจิตใจนั่นก็เป็นนามธรรมโูกพระธรรมนามธรรมโดยสมมติก็ว่าเป็นตัวเราของเราทางวิมุติแล้วท่านว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะว่าบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเกิดมาแล้วบอกมาให้แก่มันก็แกไป บอกไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บได้เวลามันจะแตกจะตายว่าอย่าไปตายเลยข้าพเจ้ายังไม่อยากตายมันก็ตายไปได้เหมือนคนทั้งหลายเขาตายไปให้เราเห็น mm hmm. นี่และผู้ปฏิบัติภาวนาจงพากันกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจภายในจิตใจของเราอีกส่วนหนึ่ง ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศชานันนีสภิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัจายีโน ยะตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังภาลางังระยะนี้เรียกว่าเข่าฤ ด, ดูหนาว มันรู้สึกว่าเย็นหนาวนี่แหละให้เราจำคำสอนในฤดูหนาวว่าเวลาหนาวแม่จะหนาวจัดขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาตลอดฤดูหนาว หนาวมากหนาวน้อยเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศยิดเราให้ลุกขึ้นภาวนานนกภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอไม่ให้อ้างหนาวเอาหนาวมาเป็นอุปสรรคได้เวลา นั่งสมาธิภาวานาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งใจนั่งสมาธิภาวานาไม่ต้องให้หนาวเป็นอุปสรรคเอาชนะให้ได้แล้วหนาวไม่ต้องบน่นอดทนเอาอะไรทังหมดถ้าอดทนมันได้มันดีทางนั้นแหละ ทีนี้ถ้าไม่อดทนเราภาวนาแล้วนอนหลับไปแล้วตื่นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นภาวนาบอกว่าคืนนี้หนาวนั่งภาวนาไม่ไหวนั่งภาวนาไม่ได้ไม่ให้มีและโดูหนาวก็ภาวนาได้ตลอดและดูหนาว รือดูร้อนก็ภาวนาตลอดรือดูล้อนรือดูฝนก็ภาวานาตลอดรือดูฝ น, าานาไม่ให้มีอุปัสรรคขัดข้องคือยกยจิตใจของเราให้องอาจกล้าหาญที่ท่านสอนให้นั่งขัดสมาธิเพชนั่น แสดงออกทางร่างกายว่าหนาวก็จะไม่บน่นอยาอดทนเอานั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนทุกวันเจดใจให้มันอง์อาจกล้าหารขึ้นมาไม่ยอมให้กิเลสต่างๆที่มันปกคลุมหัวใจของเราอยู่นี่แหละ เมื่อเราภาวนาพุโทโธได้ตลอดเวลาภาวนาตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันจะได้หมดไปสิ้นไปเสียที ถ้ากิเลสเหล่านี้มันยังมีอยู่ในใจนั่นแหละทันให้นั่งขัดสมาธินั่งภาวนาเอามันตีตะเลิดเอาให้กิเลสเหล่านี้หมดไปสิ้นไปกิเลสนี้ท่านว่าถ้าเราไม่ละไม่วางไม่ตั้งใจภาวน า, ไ ม, า, วนาไม่ตั้งใจฟังธรรมด้วยดี ไม่จดจำธรรมคําสอนไว้ในใจให้มั่นคงเจ็ตใจมันก็มักจะตกไปในฝ่ายที่ต่ำคือทางที่ต่ำนั้นมันไหลไปเองเหมือนกั น, น้ำท่านน้ำนั้นเมื่อฝนตกในบนภูเขาแล้วก็ตามมันก็ไหลลงไปสู่ที่ต่ำ เจตใจปุทุชนคนเหล่านั้นมันไหลไปสู่ที่ตับเเดูฝนกติว่าฝนตกไม่ภาวนาเละดูหนาวกติว่าฤดูหนาวไม่ภาวนาหนาวก็ให้ภาวนาได้ไม่ต้องบ่นอดทนหนาว โซภาเสร็จในเลดโดหนาวให้จำไว้ในใจว่าหนาวไม่ต้องบ่นไม่ต้องบอกให้ใครเขารู้กันทางนั้นแหละเนื้อหนังมนุษย์เรามีความหนาวคนอื่นก็หนาวเพราะเนื้อหนังมนุษย์นั้นมันต่อสู heute, gegangen, camping, ้กับความหนาว มันต้องรู้จักทุกคนจึงสอนใจของเราให้ได้ว่าหนาวไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาถ้าใช้ขันตีความอดทนแล้วชนะทุกอย่างทุกประการมันโ ย, ยที่ภาวนาคนเราถ้าขาดภาวนาขาดความตั้งใจม่น ในการปฏิบัติบูบชาอะไรมันก็ท้อถอยมันมีข้อแก้ตัวได้งั้นไม่ให้มันแก้ไปได้หนาวไม่ต้องบน่นอดทนเอานั่งภาวานามันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรก็ตามต้องอาศัยความอดทนเอา พระพุทธเจ้าท่านก็หนาวเหมือนกันก็เนื้อหนังมนุษย์เหมือนกันเนื้อหนังมังสังของมนุษย์ไม่ว่าใครพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอราหารันตาเจ้าทาั้งหลายมันก็มีหนาวเหมือนกันมีร้อนเหมือนกันมีเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เราคนเดียว มันเป็นการทั้งโลกในนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไ ว, ว้ว่ารีบเร่งภาวานาภาวานาให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อจิตใจมันจะได้สงบระงับจะได้เข้าไปแก้ไปละกิเลสตัณหาในหัวใจของเรานะให้มันหมดไปสิ้นไป ภาวนาเพียงเพ่งดูให้รู้ว่าในกิเลสในหัวใจคนเรานะ่ะมันเป็นกระบงกระบงกะตากะตาทั้งนั้นเต็มกระบงเต็มกะตาเต็มหัวใจอยไปทางไหนมันก็หาบหิวไปกิเลสความโกรธโลภหลงอันนี้ไม่ยอมละยอมวางสักที ในนั้นเมื่อถึงโดหนาวไม่ต้องไปยึดไปถือพระพุทธเจ้าพระองค์มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้โยได้นานกว่าพวกเราทั้งหลายแปดสิบปีบริบูรณ์แปดสิบปีบริบูรณ์พระท่านไม่ได้บน่นท่านอดทนเอา ท่านภาวานาอดทนเอาหนาวท่านก็ไม่ได้บน่นไม่เห็นท่านบ่นอย่ใดๆดูพระพุทธรูปบางองค์ก็ได้ห่มผ้าบางองค์ก็ไม่ได้ห่มท่านก็อดทนเอายังนั่งตัวตรงได้อยู่ไม่ง่วงเงาวหงานอนเหมือนพวกเรา จะเป็นแก้วจะเป็นทองจะเป็นเงินจะเป็นอะไรก็ตามท่านก็มีความอดทนที่สุดสแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความอดความทนมีความหมั่นความขยันไม่ใช่พระองค์เกียรติ้านอ่ดอาดเหมือนพวกเรา พระองค์ว่องไวไหวพิษทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งยานอันวิเศษละกิเลสจนหมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงเป็นผู้สามารถอาจหารที่สุด คือว่ามีพลังจิตพลังใจพลังกายวาจาจิตของท่านนะับว่ามากมายเหมือนกับว่าให้อาหารแก่คนทั้งโลกกินอย่างนั้นแหละคอ่อนเอเขาไม่ทำไล่ทำนาสมมติว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมีอาหารพระองค์เป็นผู้หมั่นกยัน ทำไล่ทำนาเลี้ยงคนทั้งโลกมันขนาดไหนเราเลี้ยงตัวเองก็ไม่พอปากพอทองบางคนมันขี้เกียจหนากวกว่านาวร้อนกว่าล้อ น, ววอนไม่ลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นภาวนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าเอาตัวพระองค์ พ้นทกแล้วถึงนิพพานแล้วยังช่วยผู้อื่นไปโซนิพพานได้นับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใช่นับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่านี้เรียก ว, ว่าเป็นอสงไขยอสงไขยนั่นเรียก ว, ว่ามาก มากกว่าล้านหลายร้อยหลายพันล้านก็ยังไม่เท่าเรียกว่าอาสงไขยจนจนนับไม่ไหวนับไม่ได้นั่นแหละนับไปนับไปจนลืมหมดแล้วก็มากมายเร้วว่าเป็นอสงไขยภาษาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีความเพียนความมันความขยัน เรียนแบบพระพุทธเจา้าเดินตามพระพุทธเจา้าท่านเดินตามจนตามไปถึงนิพพานได้เข้าถึงนิพพานละกิเลสราคะหมดไปได้ละกิเลสโทสะหมดไปได้ละกิเลสโมหะด้ไปได้ แนวท่านไปได้จริงๆทันละได้จริงๆทีนี้ทำไมเราจึงละไม่ได้วางไม่ได้นี่คือว่าอ่อนข้อในภาวนาอย่าไปอ่อนข้อในภาวนาลุกขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจอันนี้ให้ได้เพราะว่ากิเลส พันห้าตันหาล้อยแปดมันเหยียบย่ำหัวใจของเรามาตั้งแต่อนเอกนกชาตินับพกนับชาติไม่ท้วนแล้วเ็ตใจที่หลงไหลยอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงนี่ เรามาเพิ่งรู้เห็นว่าในภพนี้ชาตินี้มันเกิดขึ้นมาก็ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วจิตอันนี้นะมันโยกับกิเลสเหล่านี้อยู่กิเลสเหล่านี้มันก็มาดองอยู่ในสันดาน คำว่าดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในดวงจิตทุกทุกคนนั้นเมื่อตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มลิ้มรสอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูมาเป็นอันว่าวันไว้สันสะเทือนทางนั้น ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงเลิกได้ละได้แล้วก็ต้องคิดต้องอ่านต้องภาวนาดูดูตัวดูใจของเรานี่ไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนไว้ ทุกๆคนนั่นแหละถ้าผู้ใดโอปนญยีโกน้อมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจของตัวเองเย็ดใจมันก็ลุกขึ้นภาวนาไม่ความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนเหมือนไก่เพราะธาตุสี่ขันธ์ห้าอาญัตนะท้งหลายมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละ พระพุทธเจา้าท่านถือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสบายไม่สบายท่านก็ไม่จิตใจท่านไม่มายึดถือท่านว่าธาตุดินมันไม่สบายต่างหากออกจากจิตใจของท่านหนาวอย่างนี้แหละมันก็โยที่ร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม เขาหนาวจิตพระองค์ไม่ได้มายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของพระองค์มันเป็นของโลกเขาจิตมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอาจึงได้เกิดทุกโทมานัดครับแค่แน่นใจถ้าจิตใจมนุษย์รู้จะปล่อยวางเสียอะไรทั้งหมดลูก นามขันมันเจ็บไข้ได้ป่วยช่างมันเถิดจิตนั้นใครจะมาฆ่ามาตีมาแกงมากินไม่ได้ทางนั้นแหละเพราะจิตนั้นเป็นธาตุนามธรรมเป็นอากาศเป็นวิญญาณไม่มีตัวตนอันร่างกายสังขาร น, นี้มีความแก่ชรามีความชำรุดสุดโทร เป็นโยอย่างนี้ละเกิดมาพบใดชาติใดเวลาเป็นเด็กอยู่ก็เพลิดเพลินรุ่ม้ลงเวลาอยู่ในวัยหนุ่มวัยคนองก็รุ่ม้ลงมัวเมาไปตามวัยนั้นๆจะรักษาศีลภาวานาปฏิบัติบูบชาพุทโธในใจก็นึกไม่ได้ มันนึกคิดพุ่งซ่านไปแต่อารมณ์กิเลสนั่นเสียทีนี้ถ้ามันแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าเราแก่ชราแล้วภาวนาไม่ได้ถ้าคราวไหนมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายภาวนาไม่ได้ ทันกินอีมเกินไปก็ว่าคัดท้องในท้องได้ส่เต็มไปหมดนั่งไม่สบายภาวานาไม่ได้ถ้าวันไหนมีอาหารน้อยหรือว่ากินอาหารน้อยก็ว่าภาวานาไม่ได้อีกเพราะว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะลุกก็ลาบากจะไปมาทางไหนก็ จะเซลอื่อยเป็นลมเรื่อ ย, มอยอไม่ได้กินกะว่าภาวนาไม่ได้กินมากกะว่าคัดท้องไส้ภาวนาไม่ได้หนาวมากกะว่าภาวนาไม่ได้ไม่หนาวมันร้อนกะว่าภาวนาไม่ไหวเงยไหลไข่ย่อยภาวนาไม่ได้ เนลเล่เหลี่ยมมารยาสาไทยกิเลสในหัวใจของมนุษย์และเทวดาอินพรอมนั้นมันมีอยู่อย่างนี้แหละเราต้องดูคระพุทธเจ้าอันพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทุกเหล่านี้มันมีอยู่ทันแบกหามอยู่ตั้งแปดสิบปีนั้น ในชาตินี้แต่ท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งที่มันเกิดมันมีขึ้นคือท่านภาวนาแก้แก้ในจิตในใจภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือท่านให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แล้วไม่ใช่ท่านบอกพวกเราอย่างเดียวเพราะองค์นึกได้จเจริญได้หนาวมันก็ไม่ไปถึงไหนมันไม่เลยตายไปได้ร้อนมันก็ไม่ไปถึงไหนไม่เลยตายมันแค่ตายนั่นแหละทุกยากลำบากลำคาญไอ้นู้นไม่พออันนี้ไม่สมบูรณบริบูรณ์มันก็ไปถึงตายนั่นแหละ กินไปถึงตายนอนไปถึงตายพูดไปถึงตายอะไรอะไรทุกอย่างมันแค่ตายท่านจึงให้ภาวานาตายตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจะเด็กกล้าหานขึ้นมาทุกอะไรอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับหนาวมันเกิดขึ้นมา เราก็ต้องแก้ไขใจไม่ให้มายึดมัน่นถือมั่นว่าเราหนาวโรคประคันเขาหนาวโรคประคันเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาตายช่างมันเถิดจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายภาวนาทาจิตทาใจของเราให้เยอือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ถ้าจิตใจของเรานี้ยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายอยู่ทุกทั้งหลายก็เข้าถึงตัวถึงใจพระพุทธองค์ท่านจึงว่าจาโคให้เสียสละมันออกไปปาตินิสโคปล่อยให้มันออกไปจากจิตใจจากตัวของเราที่มายึดเรายึดของของเราอยู่ มดที่เอาให้มันหลดุดให้มันวางได้มันหลุดพ้นนั้นถ้ามันไม่หลดุดไม่พ้นมันก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนั้นเลิกละจนมันหลุดออกพ้นออกไปสิ่งใดที่เลิกได้แล้วละได้แล้วก็ถอนออกไปไม่ต้องเก็บมาอีกไม่ต้องเสียดายกิเลสความโกรธ ไม่ต้องเสียดายกิเลสความโลภไม่ต้องเสียดายกิเลสความหลงไม่ว่าคนเราจะหลงอยู่ในเรื่องอะไรโลกละให้มันหมดตัดออกไปปล่อยออกไปวางออกไปจิตใจมันจะได้สบายโล่งโปร่งในกายวาจาจิตนั้น จ, จิตใจมันจะได้ภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าตักเตือนว่าการนึกถึงความตายนั้นให้ทุกทุกคนนึกให้เห็นมองให้เห็นในใจนึกให้ได้ทุกเวลาไม่ให้หลงให้ลืมท่านจึง ให้นึกว่าทุกลมหายใจคือลมหายใจเขาไม่ได้หยุดคนเราถ้าลมหายใจหยุดเมื่อใดก็ตายเนั้นต้อง เ, เร่งเรทภาวานาอย่าได้มีความท้อถอยในดวงใจหนาวไม่ต้องบ่นอดทนเอา จิตใจก็จะสงบประงับเยือกเย็นสบายเป็นสุขในหัวใจดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละสนีสัพิติโยวิวัทจันตุสภะโลโควินัสสตมาเตภวัตวันตรายโย โสคีเทคายุโกภวะอะกิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัยิโนยัตตาโรโอธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังภาลัง